วันนี้เป็นวันเสาร์ที่13มีนาคมพุทธศักราช2564เป็นวันพระวันธรรมัสวรนะวันฟังธรรมเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้ศรัทธาญาติโยมเข้าวัดกัน เข้าหาแสงสว่างแห่งธรรมที่จะมาทําลายความมืดบอดของโมหะอาวิชชาที่มีอยู่ภายในใจของชาวพุทธเราให้หมดสิ้นไปไม่มีแสงสว่างอันใดในโลกนี้ที่จะสามารถมาดับความมืดบอดของโมหะ คือความหลงอวิชชาคือความไม่รู้ความจริงได้นอกจากแสงสว่างแห่งธรรมเท่านั้นแสงสว่างของดวงอาทิตย์ของไฟฟ้าของแสงเทียนเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาดับความมืดบอดหรือดับความโง่เขลาเบาปัญญาของสัตว์โลก ให้หมดไปได้มีเพียงแสงสว่างแห่งธรรมเท่านั้นที่จะสามารถดับความโง่เขลาเบาปัญญาต่างๆที่มีอยู่ในใจของสัตว์โลกให้หมดสิ้นไปให้สัตว์โลกได้มีดวงตาเห็นธรรมเห็นความจริงของสิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ในตรภพนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ที่เราเห็นได้ด้วยตาของร่างกายแต่สิ่งที่ตาของร่างกายเราไม่สามารถเห็นได้ถ้าเรามีแสงสว่างแห่งธรรมมีดวงตาเห็นธรรมเราจะเห็น โลกที่ตาของร่างกายนี้ไม่สามารถมองเห็นได้ก็คือไตรภบนี้เองไตรภบนี้มีอยู่สาการมาพบคือพบของผู้ที่เสดการทั้งหลายรูปภ พ, พบของผู้ที่เสดรูปฌานอารูปภพบ คือพบของผู้ที่เสพอรูปประชานว่ามีอยู่แต่เพียงแต่ต้องใช้ตาที่มีดวงตาเห็นธรรมมีแสงสว่างแห่งธรรมถึงจะสามารถมองเห็นเรื่องราวของไตรภพได้ไตรบพนี้เป็นที่อยู่ที่เวียนว่ายตายเกิดของสัตว์โลก ที่ยังมืดบอดด้วยโมหะาอาวิชชาผู้ที่ยังต้องเผชิญกับความทุกข์ต่างๆในแต่ละภพในแต่ละชาติที่ได้มาเกิดกัน เ, เมื่อมาเกิดแล้วย่อมจะต้องพบกับความแก่พบกับความเจ็บพบกับความตายด้วยกันทั้งนั้นจึงเป็น ความทุกข์แล้วก็เป็นความทุกข์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดลงได้ถ้าไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมมาฉายความเป็นจริงของไตรภพให้สัตว์โลก mm hmm. อย่างพวกเราทั้งหลายนี้ได้รู้ได้เห็นกันว่ามันเป็นกองไฟเป็นกองทุกข์ พวกเรานี้เหมือนกับอยู่ในกองไฟที่บางครั้งก็ลุกโชช่วงขึ้นมาบางครั้งก็สงบตัวลงชั่วคราวเช่นในชีวิตของพวกเราในแต่ละวันนี้ถ้าเราสังเกตดูที่จิตใจของพวกเราเราจะเห็นว่าจิตใจของพวกเรานี้มักจะต้องเผชิญ กับความทุกข์ความวุ่นวายใจกับสิ่งต่างๆอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีช่วงที่ว่างเว้นจากการที่พบกับความทุกข์บ้างเป็นพักๆไปสลับกันไปแต่จะไม่มีวันที่ความทุกข์ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในใจของพวกเหล่านี้จะหายไปหมดได้ ถ้าเรายังไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมที่จะสอนที่จะบอกให้เรารู้จักวิธีกำจัดความทุกข์ต่างๆที่ปรากฏขึ้นมาในใจของพวกเราแต่ละครั้งนี้ให้หมดสิ้นไปได้นี่คือประโยชน์ของแสงสว่างแห่งธรรม ที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ไม่มีแสงอะไรในโลกนี้หรือความรู้อะไรในโลกนี้ที่จะสามารถที่จะมาใช้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของพวกเรานี i ให้หมดสิ้นไปได้มีเพียงแต่แสงสว่างแห่งธรรมนี้เท่านั้นที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆ ที่ปรากฏขึ้นมาในใจของสัตว์โลกนี้อย่างพวกเรานี้ให้หมดสิ้นไปได้พระพุทธเจ้าจึงเห็นความสำคัญของการเข้าหาแสงสว่างแห่งธรรมแหล่งที่มีแสงสว่างแห่งธรรมก็คือวัดในพระพุทธศาสนานี่เองะวัดในพระพุทธศาสนานี้ จะมีแหล่งของความรู้ที่เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งธรรมที่จะทำให้ผู้ที่ได้ศึกษาและได้น้อมนำเอาไปปฏิบัติได้รู้จากการกำจัดการดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้ดังนั้นการมาวัดนี้ เป้าหมายที่แท้จริงของการมาวัดก็คือเข้าหาแสงสว่างแห่งธรรมเข้าหาความรู้ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งคนพบที่จะสามารถนำเอาไปใช้กาจัดความทุกข์ใจต่างๆให้หมดสิ้นไปได้แหล่งของความรู้หรือแหล่งของแสงสว่างแห่งธรรม ในพระพุทธศาสนานี้ก็คือพระรัตนต ร, รัยนี้เองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถึงแม้ว่าขณะนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ประทับอยู่ในโลกนี้แล้วก็ตามแต่เราก็ยังไม่ได้ปราศจากพระพุทธเจ้าที่เป็นศาสดาของพวกเราเพราะว่าตอนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะจากพวกเราไป ได้มีคนถามว่าหลังจากที่พระองค์ได้จากพวกเราไปแล้วใครจะมาเป็นศาสดาแทนพระองค์ต่อไปใครจะมาสอนพวกเราเหมือนกับตอนที่พระองค์ยังมีพระชนชีพอยู่พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าธรรมวินัยที่ตถาคตได้ตัดไว้ชอบแล้วนี่แหละที่เป็นสวากขาโตภะวตาธรรมโมนี้ จะเป็นศาสดาของพวกเธอต่อไปพวกเธอจะไม่ได้อยู่ปราศจากศาสดาก็คือคำสอนต่างๆที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนตั้งแต่วันแรกของการประกาศพระธรรมเทศนาคือวันที่ทรงสอนธรรมเป็นครั้งแรกในวันเพ็ญเดือน8วันสาหะบูชา ที่ทรงแสดงธรรมจากกับวาตนะสูตรไปถึงพระพระปัะชิมโอวาทคือโอวาทคำสั่งสอนครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเสด็จดับขันธ์ปรินิพานที่ได้ทรงตัดสอนไว้ว่าสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงจงยังประโยชน์ของตน และของผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาะเทเถิด น, นี่คือคำสอนต่างๆ ต, ตั้งแต่ต้นจนจบที่ได้มีการจดจำกันมาอย่างต่อเนื่องพระภิกษุที่มาบวชในยุคพระสมัยพระพุทธกาลนี้ก็มีหน้าที่ศึกษาพระธรรมคำสอนกันศึกษาสมัยนั้นก็ต้องใช้การท่องจำเป็นหลัก เพราะไม่มีการศึกษาไม่มีการเรียนอ่านออกเขียนหนังสือกันก็เลยอาศัยการท่องเพูดเป็นการจดจำคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าทุกรูปทุกองค์จะต้องจำทั้งหมดก็แบ่งกันเป็นบทบทเป็นตอนๆไปกลุ่มนี้ก็จำบทนี้กลุ่มนี้ก็จำบทนั้นไป ก็มีการจดจำเพื่อได้ไม่หลงไม่ลืมกันเพราะมีธรรมะคมสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันนี้มีมากมายด้วยกันที่สามารถรวบรวมเอามาบันทึกไว้ได้นี้ก็มี 84,000 ธรรมบทธรรมขันธ์ ซึ่งมีบรรจุไว้ในพระตยปิดกพระตยปิดกนี้แหละคือแหล่งความรู้ที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาได้รับการสังคายนาจากพระอราหันต์ห้าร้อยรูปสามเดือนหลังจากที่พระพุทธเจ้าทร ง, สงเสด็จดับขันธ์พระปรินิพานไปมีพระมหากัสสปะพระเทระพระอาหารหันต์ตถเทระ เป็นผู้เรียกประชุมสงฆ์เรียกประชุมแต่พระอาหารหันต์เท่านั้นผู้ที่ยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์นี้ยังไม่ถือว่าเป็นผู้เรียนจบการศึกษาหลักสูตรของพระพุทธศาสนาจึงไม่มีความสามารถที่จะมาสังคายนาคําสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์ จึงกำหนดให้มีแต่พระอาหารหันตสาวกห้าร้อยรูปด้วยกันมาร่วมประชุมกันแล้วก็มาเริ่มทบทวนคำสอนต่างๆ ต, ตั้งแต่ครั้งแรกที่ทรงแสดงคือพระธรรมจักรกับวัตนสูตรไล่ลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงคำสอนครั้งสุดท้ายคือพระประชิมโมวาดก่อนที่จะจากโลกนี้ไปของพระพุทธเจ้า แล้วก็มีการทบทวนมีการสอบถามมีการลงมติว่าถูกต้องไหมอันนี้เป็นการยืนยันว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่แท้จริงไม่มีอะไรแปลกปลอมเข้ามาได้เพราะอะไรเพราะผู้ที่สังคยนาเป็นผู้บริสุทธ จากปาสจากกิเลสความโลภความโกรธและความหลงถ้าเอาผู้ที่มีความโกรธความหลงเข้ามาสังฆานานี้เอามาจะมาแก้ความจริงให้กลายเป็นความไม่จริงไปได้เพราะผู้ที่มีความหลงนี้จะเห็นผิดเป็นชอบนั่นเองเห็นโกงจากเป็นดอกบัวเห็นทุกข์เป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยง เห็สิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราเป็นต้นดังนั้นคนที่สมัยขั้นแรกในการสังฆนานาพระไตยปิฎกคือคําสอนของพระพุทธเจ้านี่จึงห้ามไม่ให้ผู้ที่มีความหลงเข้ามาสังฆนานาด้วยแม้แต่พระ อ, อริยบุคคลสามขั้นแรกก็ยังมีความหลงหลงเหลืออยู่เช่นพระโสดาบันก็ยังมีความหลง ยังไม่หมดได้กำจัดบางส่วนพระสกิริดาคามีพระอนาคามีก็ยังมีความหลงอยู่มีแต่พระอาหารหันต์เท่านั้นที่ได้กำจัดความหลงต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจสามารถรู้ตามความเป็นจริงได้ในธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ว่าเป็นอย่างไรถูกต้องหรือไม่ ถ้าผู้ที่จดจำนี้เป็นผู้ที่ยังมีโมหะอาวิชชาอยู่โมหะอาวิชชานี้ก็อาจจะทําให้จำผิดจำถูกได้แต่ถ้ามีพระอาหารหันต์มาผู้รับฟังนี้ท่านจะรู้ทันทีว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องดังนั้นในการสังคายนาครั้งแรกนี้ท่านจึงเอาแต่พระอาหารหันต์ทั้งนั้น ห้าร้อยรูปด้วยกันเพื่อที่จะได้มารับรองความจริงของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้คงอยู่กับโลกนี้ไปนานๆ น, น, นั่นเองแล้วหลังจากนั้นก็มีการสังคายนามาเป็นยุคๆหลังจากที่หลายหลายร้อยปีผ่านไปก็อาจจะมี ความไม่มั่นใจในบางสัตว์บางส่วนของพร ะ, พระธรรมคำสอนก็ต้องอาศัยพระเถระผู้ที่มีคุณธรรมคือพระอาหารหันตะสาวกนี้มาคอยสังคานากันอยู่เรื่อยๆจึงถือว่าพระไตรปิฎกนี้เป็นแหล่งข้อมูลเป็นแหล่งของแสงสว่างแห่งธรรมที่ถูกต้อง เมือนกับได้ยินได้ฟังจากพระโอษของพระพุทธเจ้าโดยตรงเวลาอ่านพระสูตรเช่นธรรมจกกักรปวัตตนสูตรนี่เหมือนกับได้ยินเสียงของพระพุทธเจ้าก้องกังวานอยู่ในในใจของผู้อ่านเลยอ่านไปอ่านไปนี้จะเหมือนกับว่าได้ไปอยู่ในสมัยพระพุทธกาลได้ประทับอยู่ห น, น้าพระพักของพระพุทธเจ้าจึง ทำให้รู้สึกว่าพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้จากพวกเราไปสิ่งที่จากไปนั้นเป็นเพียงสรีระร่างกายของพระพุทธเจ้าคือร่างกายที่ประกอบด้วยธาตุสีด่ดินน้ำลมไฟนี้ร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือของการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะถ้าไม่มีร่างกายพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะแสดงธรรมให้กับพวกเราได้ ต้องมีร่างกายแต่ตัวร่างกายนั้นไม่ใช่ตัวธรรมไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้าตัวพระพุทธเจ้านี้คือจิตใจของพระพุทธเจ้าแล้วก็พระธรรมนี้ก็ออกมาจากจิตใจของพระพุทธเจ้าร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องมือสื่อสารเหมือนโทรศัพท์มือถือที่เราใช้สื่อสารระหว่างกันและกัน ตัวเครื่องมือนี้มันเสียมันพังได้เราใช้โทรศัพท์มาคงได้เปลี่ยนกันหลายเครื่องแล้วเพราะใช้ไปใช้ไปมันก็เสียเสียเราก็ต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่แต่ผู้ที่ใช้เครื่องก็ยังเป็นผู้คนเดิมอยู่นะั่นฉะนั้นใดการสูญสลายของสรีละของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้เป็นการสูญสลายของ พระพุทธเจ้าคือพระไทยของพระพุทธเจ้าจิตใจของพระพุทธเจ้านี้ยังทรงอยู่ในในโลกทิพย์อยู่จนถึงทุกวันนี้ในโลกทิพย์ที่เราเรียกว่านิพพานนี้คือที่สติอยู่ของจิตใจของผู้ที่บริสุทธิ์ปราศจากโมหะอวิชากิเลสตัณหาทั้งหลายทั้งปวงเพียงแต่ว่าท่านไม่มีเครื่องมือ ที่จะมาติดต่อกับพวกเราได้ไม่มีร่างกายเพราะท่านตัดความอยากที่จะต้องพาให้มาเกิดได้นั่นเองเพราะการมีร่างกายถึงแม้จะเอามาใช้ประโยชน์ในการสั่งสอนธรรมะให้แก่ผู้อื่นได้แต่มันก็เป็นภาระอันหนักหน่วงต่อผู้ที่คลองร่างกาย พราะเมื่อมีร่างกายก็ต้องมีความมีภาระเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็มีความทุกข์มีความวิตกกังวลต่างๆเกี่ยวกับร่างกายเพราะร่างกายนี้เป็นร่างกายที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนเป็นร่างกายที่มีภัยต่างๆเข้ามาคุก ค, คามอยู่ตลอดเวลาจึงยังสร้างความทุกข์สร้าง ความทุกข์ให้กับร่างกายและสร้างภาระให้กับผู้ที่มีร่างกายดังนั้นพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายนี้ท่านจึงไม่กลับมาเกิดอีกเพราะเท่ากับกลับกับการข้ากลับเข้าไปอยู่ในกองไฟนั่นเองถึงแม้ว่าพระไทยของท่านจะสะอาดบริสุทธิ์จะไม่มีความทุกข์ก็ตามแต่ก็ยังต้องมาทุกข์กับ การเลี้ยงดูร่างกายแบกภาระของร่างกายอยู่นท่า น, นจึงไม่มีการกลับมาเกิดอีกต่อไปฉะนั้นพระธรรมที่ท่านเคยแสดงไว้ให้พวกเราจึงเป็นคำสอนแทนพระพุทธเจ้าเหมือนกันเหมือนกับตอนที่เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงตัดไวด้ด้วยร่างกายของท่านพอไม่มีร่างกายของท่านเราก็ต้อง อาศัยพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้และได้มีการจดจำบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกนี้มาเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าดั <mm> างนั้นถ้าเราอยากจะเข้าหาแหล่งความรู้ที่ถูกต้องที่แท้จริง <mm> <mm> แสงสว่างแห่งธรรมที่แท้จริงตอนนี้ก็มีอยู่สองแหล่ง แหล่งแรกนี้ก็คือพระไตรปิฎกที่ได้พูดไว้แล้วในเมื่อกี้นี้และแหล่งที่สองก็คือพระอาหารหันตสาวกของพระพุทธเจ้าคือพระสุปฏิปันโนทั้งหลายพระผู้ที่ได้บรรลุธรรมขั้นสูงคือขั้นพระอาหารหันต์อาหารหันต์อาหารหัตตมัคอาารฐานตพุนผู้ได้เข้าถึงพระนิพพาน แต่ยังทรงขันอยู่ยังคลองขันอยู่คือยังมีร่างกายที่สามารถใช้ร่างกายนี้นำเอารำรอันประเสริฐนำแสงสว่างอันธรรมที่แท้จริงที่ถูกต้องนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นได้แต่ผู้ที่แสดงธรรมในโลกนี้ที่เป็น นักบวชคือเป็นพระต่างๆนี้ก็มีจิตใจหลายระดับด้วยกันจิตใจที่เป็นปุถุชนก็มีจิตใจที่เป็นพระโสดาบันก็มีเป็นพระสกิดาคารมีก็มีเป็นพระอหรหันต์ก็มีเหตุน <Yeah. S 2> เราจะรู้ได้ยังไงว่าท่านเหล่านี้แสดงธรรมได้อย่างถูกต้องแม่นยำหรือไม่ yeah. ดังนั้นสิ่งที่เราสามารถที่จะรู้ได้ก็คือด้วยการเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกนี่มาเปรียบเทียบกันดูว่าท่านสอนเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหรือไม่ถ้าท่านสอนไม่ตรงกับที่พระเจ้าทรงสอนก็แสดงว่าท่านยังไม่รู้อย่าง อย่างถูกต้องแม่นยำํำท่านอาจจะความรู้ที่ท่านรู้อาจจะไม่สมบูรณ์หรืออาจจะคาดเคลื่อนไปได้แต่ถ้าเราไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎกมาก่อนเพราะธรรมคาสอนในพระไตรปิฎก <S <S เวลาเราไปศึกษากับพระรูปต่างๆเราจะไม่รู้ว่าท่านสอนตรงไหมหรือสอนอยู่ในระดับไหนของคําสอนของพระพุทธเจ้า คำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็มีหลายระดับด้วยกันมีระดับอนุบาลมีระดับประถมมีระดับมัธยมและมีระดับอุดมศึกษาคือระดับปริญญาตรีโทเอกเป็นต้นถ้าเราไม่ได้ศึกษาความรู้เหล่านี้จากพระไตรปิฎกเนี่ย เวลาเราไปศึกษากับพระรูปอื่านี้เราจะไม่รู้ว่าท่านสอนในระดับไหนแลนะถ้าเราต้องการระดับที่เราต้องการเราก็อาจจะไม่ได้ความรู้ที่เราต้องการก็ได้่างนั้นเราไม่ควรที่จะละเลยหน้าที่ของชาวพุดเราที่พระเจ้าส่งมอบหมายให้กับลูกเรา คือปริยัติธรรมปริยัติธรรมแปลว่าศึกษาพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาพระไตรปิฎกแต่ไม่ได้หมายคำ ว, ว่าจะต้องศึกษาทั้งหมดเพราะว่าคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ถึงแม้จะมีมากมายถึง8ปดหนึ่งสี่พันธรรมขันธ์ก็ตามแต่จะเป็นคําสอนที่คล้ายคลึงกันมีเนื้อหาสาระที่คล้ายๆล้ายกัน เหมือนกับรสของน้ำทะเลน้ำทะเลนี้กว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนมหาสมุทรนี้กว้างใหญ่ขนาดไหนน้ำทะเลที่เมืองไทยน้ำทะเลที่ญี่ปุ่นน้ำทะเลที่อเมริกาก็มีรสอันเดียวกันก็คือรสของความเค็มนี้เองฉะนั้นใดพอทำคาสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าพระสูตรต่างๆนี้ ก็มีเนื้อหาสาระอันเดียวกันก็คือวิธีการดับความทุกข์ที่มีในใจของพวกเราเนี้เองนี่คือประเด็นที่เราควรจะเข้าใจเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมากังวลว่าโอ้ยต้องแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์พระไตรปิฎกตอนนี้บรรจุอยู่ในตู้ก็มีอยู่เกือบสี่สิบเล่มจะเอาไหว้หรือ สมัยนี้โชคดีมีนักปราชญ์เป็นนักศึกษาบางท่านท่านอ่านพระไตรปิฎกทั้งหมดแล้วท่านก็มาย่อส่วนลงเป็นพระไตรปิฎกฉบับประชาชนคือท่านก็อ่านทุกพระสูตรแล้วก็ย่อความสรุปความในพระสูตรนั้นว่าทรงแสดงเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นหนังสือเล่มเดียวถ้าท่านอยากจะศึกษาแบบง่าย ก็ไปหาหนังสือพระไตรปิฎกฉบับประชาชนดูค้นหาใน Google ก็ได้นะใน Google นี้จะมีบอกแหล่งของหนังสือนี้ว่าอยู่ที่ไหนแล้วจะจะได้รู้ว่าคำสอนต่างๆของพระเจ้าอยากจะรู้พระสูตรไหนก็ค้นหาได้แล้วจะได้ข้อสรุปง่ายๆแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยไม่ต้องไปอ่านภาษาบาลีให้ยุ่งยาก พราเราเป็นคนไทยเราเรียนแต่ภาษาไทยภาษาบาลีนี้สำหรับพระที่มาบวชที่ต้องการที่จะรักษาภาษาเดิมเอาไว้เพราะสมัยพระพุทธเจ้านี้ทรงใช้ภาษาบาลี <c oughs> หรือสันสกฤตเป็นการ <c oughs> ถ่ายทอดความรู้กันแล้วเพื่อความเพื่อความไม่ให้เกิดความเปลี่ยนแปลง เพราะถ้าเราอ่านภาษาไทยหรืออ่านภาษาต่างๆ น, นี้อาจจะมีการคําแปลที่อาจจะไม่ตรงกับความหมายเดิมก็ได้จึงต้องยังมีการศึกษาบาลีอยู่ผ้าที่มาบวชที่ท่านเน้นไปในทางการศึกษาท่านก็จะศึกษาบาลีคือปรเรียนเี่เขาเรียกว่าปเรียนมีอยู่9ชั้นด้วยกันปรเรียนหนึ่งถึงรเรียน9 ่ารจะเรียนภาษาบาลีเรียนไวิยากรเหมือนกับเรียนเราเรียนภาษาอังกฤษอย่างนี้พอเราได้เรียนภาษาอังกฤษเวลาเราเปิดหนังสือภาษาอังกฤษดูเราก็จะอ่านได้แล้วเราก็จะเข้าใจว่ามีความหมายว่าอย่างไงฉันใดพระที่เรียนบาลีเรียนประเรียนนี้ก็เรียนเรียนภาษาเพื่อที่จะได้อ่านพระไตรปิฎกที่ เป็นภาษาบาลีเดิมทีนี้เป็นภาษาบาลีแล้วต่อมาก็ได้รับการแปลเป็นภาษาของแต่ละประเทศประเทศไทยเราก็แปลเป็นภาษาไทยประเทศพม่าเขาก็แปลเป็นภาษาพม่าประเทศเขมรเขาก็แปลเป็นเขมรประเทศศรีลังกาเขาก็แปลเป็นตามภาษาของประเทศเขาเดี๋ยวนี้ก็ไปทางตะวันตก เยอรมันอังกฤเกกงเษเขาก็แปลกันฝรั่งเศสเขาก็แปลกันอแต่การแปลนี้บางครั้งบางคราวผู้แปลอาจจะแปลไม่ตรงกับความหมายเดิมก็ได้เพราะภาษาของแต่ละภาษานี้มันไม่ตรงกันเสมอไป <S <S อนั้นบางทีก็ต้องย้อนกลับมาดูที่ต้นฉบับเพื่อความแน่ใจว่าบาลีนี้หมายความว่ายอย่างไร เราอาจจะมาปรับความเข้าใจกันต่อไปแต่นี่คือเรื่องของของการเรียนรู้นะจากแหล่งที่ถูกต้องนะก็คือพระไตรปิฎกเนะี่ยและตอนนี้เราก็สามารถรู้แบบคร่าวๆได้ด้วยการลองเข้าไปดูหนังสือพระไตรปิฎกฉบับประชาชนเนี่ยท่านจะยอ่อพระสูตรต่างๆไว เป็นหัวข้อสั้นๆมาพรูรนี้พูดถึงเรื่องอะไรเช่นพระธรรมจักรกับประวัตนสูตรก็สรงสแสดงเรื่องอริยสัจสี่มรรคแบบเป็นต้นมงคลมงคลรสูตรก็ทรงสแสดงการสร้างมงคลให้แก่ชีวิต38บประการมีอะไรบ้างอย่างนี้เป็นต้นมันก็จะทำให้เรารู้ว่าพระพุทธเจ้านี้ทรงสอนอะไร แล้วเวลาที่เราไปวัดต่างๆเพื่อไปปฏิบัติหรือไปเรียนต่อจากพระอีกทีหนึ่งเราจะได้รู้ว่าท่านสอนอะไรบ้างสอนถูกตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนหรือไม่ถ้าเราไม่ศึกษาเราจะไม่รู้แล้วท่านสอนอะไรเนื่องจากเรามีศรัทธาความเชื่อในพระเชื่อว่าพระต้องรู้ ก็จะอาจจะไม่รู้ว่าท่านสอนถูกรู้สอนผิดหือสอนเรื่องที่เราควรจะรู้หรือไม่ควรจะรู้อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องขวนขวายถ้าเราอยากจะได้แสงสว่างแห่งธรรมเพื่อนํามาใช้ในการดับความทุกข์ของใจของพวกเราในเบื้องต้นเราต้องศึกษาเพราะใจปิด ก, กันแต่ไม่ต้องศึกษาทั้งหมดน เอาพระสูตร ส, สำคัญสาคัญสักสองสามพระสูตรก็พอที่จะได้เนื้อหาสาระเช่นธรรมจักรกับประวัตนาสูตรก็แสดงเรื่องมรรคแเรื่องอริยสัจสี่เรื่อง อ, อนัตตลักษณสูตรก็แสดงเรื่อง อ, อนัตตาสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้เป็นอนัตตาเป็นต้นแล้วก็สติปัฏฐานสูตร ก็จะสอนวิธีปฏิบัติธรรมสอนวิธีเจริญสติสอนวิธีนั่งสมาธิสอนวิธีเจริญปัญญาวิปัสสนาเพื่อให้มีดวงตาเห็นธรรมในสิ่งต่างๆที่ตอนนี้ถูกปกปิดไว้ด้วยโมหะอวิชชานี่ก็คือพระสูตรสำคัญสำคัญที่เราควรจะเรียนรู้มีอยู่สองสามพระสูตรอีกอันก็มงคลละสูตร มงคลอสูตรก็สอนให้เรารู้วิธีการกระทำดำเนินชีวิตของเราเพื่อให้เกิดมงคลให้เกิดความสุขความเจริญทางด้านจิตใจเช่นข้อแรกท่านก็สอนให้เราอย่าคบคนพาลให้คบบัณฑิตคนพาล น, นี้ท่านหมายถึงคนงโง่คนที่มีโมหะอวิชชาคนที่มีความหลง คนที่หลงไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นตัวเรานี่เรียกว่าเป็นคนพาลละคนที่ไปหลงคิดว่าความสุขอยู่ที่ลาบยศสรรเสริญอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้เรียกว่าเป็นความหลงเพราะผู้ที่บัณฑิตคือพระพุทธเจ้าพระหลานนี้ท่านกลับเห็นว่ามันเป็นทุกข์เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นว่าร่างกายนี้จะต้องทาให้เราทุกข์ เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตามันไม่ใช่ของเราแต่ความหลงมันจะหลอกให้เราคิดว่าร่างกายของเราต้องเที่ยงต้องอยู่ไปนานๆต้องไม่แก่ต้องไม่เจ็บต้องไม่ตายพอมันไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดมันก็เลยทำให้เราทุกข์ขึ้นมาเวลาที่เห็นร่างกายเราแก่เราก็เริ่มไม่สบายใจ เวลาเห็นร่างกายแล้วเจ็บไข้ได้ป่วยก็มีความไม่สบายใจแล้วพอใกล้จะตายนี้ก็ยิ่งไม่สบายใจใหญ่ลองคิดดูเวลาไม่สบายไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอบอกเป็นมะเร็งขั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยลองคิดดูสิว่าจิตใจจะทุกข์ขนาดไหนถ้ามีความหลงถ้ามีความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราแต่ถ้าเรา ได้คบบัณฑิตคือพระพุทธเจ้าพระอาหารหันตสาวกท่านจะบอกว่าร่างกายเราเป็นดาน ต, ตานะไม่ใช่ตัวเราร่างกายเราเป็นเหมือนต้นไม้ต้นไม้ที่ประกอบด้วยธาตุสีคือธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟที่มีการเกิดมีการเจริญเติบโตแล้วมีการดับไปในที่สุดนีร่างกายเหมือนกับต้นไม้ <Yeah. S 2> เพียงแต่าสามารถเดินไปไหนมาไหนได้มีสิ่งที่ต้นไม้ไม่มีก็คือมีตาหูจมูกลิ้นกายที่สามารถรับรูปเสียงกลิ่นรสผ otha ภะแล้วก็ส่งไปให้กับใจให้ได้สัมผัสรับรู้พอใจได้สัมผัสรับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆก็เกิดความสุขความทุกข์ขึ้นมาในใจอันนี้แหละคือสิ่งที่ เราจะได้เรียนรู้ถ้าเราครบบัณฑิตถ้าเราครบคนพาลคนโง่เขาก็จะบอกว่าร่างกายกับจิตใจนี้เป็นอันเดียวกันนักพยาศาสตร์หรือนักศึกษาแพทย์หรือหมอนี่เขาจะว่าผู้รู้ผู้คิดก็คือสมองสมองเป็นผู้คิดผู้สั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆแต่บัณฑิตคือพระพุทธเจ้ากับพระหลานบอกไม่ใช่สมอง คือจิตใจที่เป็นอีกส่วนหนึ่งแยกออกไม่ได้เป็นส่วนของร่างกายเป็นกายทิพย์ร่างกายนี้เป็นกายหยาบแต่จิตใจนี้เป็นกายทิพย์เป็นผู้สั่งการให้ร่างกายทำอะไรต่างๆผ่านทางสมองอีกทีหนึง่งพอสั่งให้ยกแขนนี้สมองก็ถึงจะสั่งการไปที่แขนอีกที <S <S สมองนี้เป็นส่วนของประกอบของร่างกายเป็นผู้ เป็นผู้ประสานให้มีการเคลื่อนไหวทางร่างกายได้ถ้าเกิดสมองมีปัญหาขึ้นมาก็ไม่สามารถสั่งการได้เช่นคนที่เป็นอามาัอามพฤกอัมพาตนี่ก็เป็นเพราะว่าสมองนี้เกิดความเสียหายไม่สามารถที่จะสั่งให้ร่างกายส่วนนั้นส่วนนี้ทำงานได้สั่งให้ยกแขนก็ยกไม่ได้ส่งให้เดินก็เดินไม่ได้ อันนี้แหละคือสมองสมองทำหน้าที่นี้แต่ผู้ที่สั่งให้ยกแขนยกขานี้ไม่ใช่สมองสมองนี้ไม่มีความรู้สึกเนื้อคิดคิดเองไม่เป็นคิดว่าจะต้องลุกคิดว่าจะต้องไป ท, ทำนู่นทำนี่คิดไม่ได้ผู้ที่คิดนี้คือจิตใจที่เป็นกายทิพย์ที่มาเกาะติดร่างกายตอนที่มีการปฏิสนธิมีการตั้งคันขึ้นมา ตอนที่ร่างกายตั้งขันขึ้นมาก่อตัวในร่างกายของมารดานีตอนนั้นแหละที่ดวงวิญญาณคือจิตใจนี่หรือกายทิพย์นี้จะส่งกระแสของวิญญาณมาเกาะที่ตาหูจมูกลิ้นกายเพื่อที่จะได้รับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายต่อไปเพื่อที่จะได้สั่งการให้สมองสั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวทำอะไรต่างๆ เช่นวันนี้ก่อนที่ร่างกายจะเดินทางมาที่นี่ได้จิตใจก็ต้องเป็นผู้สั่งการก่อนว่าเดี๋ยววันนี้ไปฟังเทศกันที่วัดพอถึงเวลาก็สั่งไปที่สมองว่าออกเดินทางได้แล้วก็ออกจากบ้านถ้ามีรถก็ขับรถกันมาอันนี้เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างสมองกับจิตใจแต่ไม่ใช่เป็นอันเดียวกัน ร่างกายหรือสมองเป็นอะไรไปตายไปผู้สั่งการไม่ได้ตายไปเพราะผู้สั่งการนี้ไม่มีวันตายเพราะไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีคะไม่มีอะไรเป็นความว่างจึงไม่มีการเกิดเมื่อไม่มีการเกิดก็ไม่มีการดับันนี้นี่คือความมหัศจรรย์ของจิตใจของพวกเราทุกคนที่พวกเราถูกโมหะอวิชชาความหลงนี้ปิดบังไว้ทำให้เราไม่รู้จัก จิตใจของตัวเราเองไม่รู้จักตัวเราเองว่าเราเป็นจิตใจแล้วก็เลยทำให้แล้วก็มาหลอกให้เราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายกันเพราะพอออกมาจากท้องแม่เราก็เห็นแต่ร่างกายอย่างเดียวเราไม่เห็นตัวเราเราไม่เห็นผู้คิดผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆก็เลยคิดเหมือนกันทุกคนคิดว่าผู้สั่งการก็คือสมอง พอพวกนี้เวลาเขาศึกษาร่างกายสรีระร่างกายก็เห็นการทำงานของอวัยวะต่างๆเช่นเห็นหัวใจทำหน้าที่เป็นเหมือนปั๊มฉีดเลือดไปทั่วร่างกายบอยก็เป็นผู้ทำหน้าที่ฉีดลมไปทั่วร่างกายส่วนสมองก็เป็นผู้สั่งการไปทั่วร่างกายให้ร่างกายทาหน้าที่ต่างๆอันนี้แหละคือเรื่องของร่างกายเป็นอย่างนี้ แต่ร่างกายนี้มันไม่เที่ยงแล้วมันไม่ได้เป็นของใครผู้ที่มาครอบครองมาใช้อยู่นี้เป็นเจ้าของชั่วคราวคือจิตใจแต่จิตใจไม่รู้ว่าตนเองนี้ไม่ได้เป็นร่างกายก็เลยคิดว่าตนเองเป็นร่างกายแล้วก็เลยไปคิดว่าเวลาร่างกายเป็นอะไรตนก็จะเป็นไปกับร่างกายจิตใจจึงทุกเวลาร่างกายแก่ เพราะจิตใจคิดว่าตนเองแก่แล้วเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็คิดว่าตนเองเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาจะตายก็คิดว่าจะตายก็เลยทำให้เกิดความทุกข์อย่างมหาศาลขึ้นมาในายามเจ็บไข้ได้ป่วยในายามที่จะจะตายกันแต่ถ้ามีดวงตาเห็นธรรมมีแสงสว่างแห่งธรรมนะที่ได้รับมาจากพระพุทธเจ้าแล้วเราสามารถนาเอาไปพิสูจน์ได้ วความรู้ที่เราได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้านี้ยังต้องนำมาไปพิสูจน์ในการปฏิบัติถึงจะเห็นอย่างชัดเจนความรู้ที่เราได้เรียนรู้นี้เป็นเพียงแต่เหมือนกับแผนที่บอกทางบอกทางว่ า, าจะไปที่นั่นที่นี่ต้องออกเดินทางด้วยไปเส้นไปรถยนต์ไปไ ป, ไปถนนสายนี้สายนั้นแต่เรายังไม่รู้ว่ามันจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการหรือไม่ จนกว่าเราจะออกเดินทางไปตามตามแผนที่ที่เขาบอกไว้พอเราออกเดินทางไปตามเส้นทางที่แผนที่บอกเดี๋ยวเราก็ไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปเราก็จะมีความมั่นใจว่าแผนที่นี้เป็นเป็นความจริงไม่ใช่เป็นแผนที่ที่ไม่มีไม่ไม่ตรงกับความเป็นจริง แต่ถ้าเราไม่ไปเราจะไม่รู้เราจะไม่แน่ใจว่าอจริงหรือไม่จริงคนเขียนแผนที่นี่เขียนหลอกเรารู้ปล่ะอันนี้ต้องไปพิสูจน์ดูทันใดสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือแสงสว่างแห่งธรรมนี้การที่จะทําให้แสงสว่างแห่งธรรมนี้ฉายแสงขึ้นมาในใจของเราเราก็ต้องเปิดมันเปิดดวงตาให้เห็นธรรมเห็นแสงสว่างอันนี้วิธีที่จะเปิดเราก็ต้องไปปฏิบัติธรรมกัน ทาที่เราต้องปฏิบัตินี้ท่านเรียกว่าจิตตะภาวนาภาวนาจิตตะภาวนานี้คือการเปิดตาเปิดตาในให้มีให้เห็นสิ่งต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นก็ต้องนำมาไปปฏิบัติกันปฏิบัติจิตตะภาวนาซึ่งมีแบ่งไว้เป็นสองขั้นตอนด้วยกันคือสมะถะภาวนา และวิปัสสนาภาวนาทำไมถึงต้องแบ่งเป็นสองขั้นตอนก็เพราะว่าถ้าจะไปขั้นที่สองเลยนี้ยังไม่สามารถทำได้ถ้ายังไม่ผ่านขั้นที่หนึ่งไปก่อนขั้นที่หนึ่งนี้เป็นการเตรียมใจเพื่อให้ได้เข้าสู่ขั้นที่สองเหมือนกับเรียนหนังสือเนี่ยก่อนที่จะไปเรียนระดับปริญญาได้ก็ท่อง ต้องผ่านระดับมัธยมปฐมไม่ก่อนถึงจะสามารถเข้าสู่ระดับปริญญาได้ถ้าจะเข้าไปเรียนปริญญาตั้งแต่วันวันแรกที่จะไปเรียนไปโรงเรียนนี่ไปสมัครเรียนที่มหาวิทยาลายัยเขาก็บอกว่ามาผิดที่แล้วหนูเที่นี่เป็นของผู้ที่เขาจบชั้นมัธยมยกเว้นเด็กอัจฉริยะบางคนนี้สามารถทำได้ซึ่งเราคงอาจจะเคยได้ยินกัน เด็กอายุ10ขวบ11ขวบนี้สามารถสอบเอ็นท่าได้ก็มีอันนี้เพราะภูมิปัญญาเขามีสูงมากเขาได้สะสมภูมิปัญญามาในอดีตชาติเราก็เลยสามารถที่จะเข้าสู่ระดับปริญญาได้โดยที่ไม่ต้องผ่านระดับผถมหรือมัธยมนันใดก็ตามจิตใจของผู้ที่เข้าหาแสงสว่างแห่งธรรมนี้ ก็มีแบ่งไว้สี่ระดับด้วยกันที่พุทธเจ้าทรงพิจารณาแบ่งไว้คือเปรียบเหมือนพวกบัวสี่เหล่านีคือมีความรู้ความสามารถที่จะมีที่จะสามารถมีดวงตาเห็นธรรมได้นี้ไม่เท่าเทียมกันพวกพวกที่มีความรู้ความสามารถมากก็คือกลุ่มแรกคือกลุ่มที่เป็นบัวเหนือน้ําำ บัวเหนือน้านี้เวลาได้รับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ในยามเช้าก็จะบานขึ้นมาทันทีเลยส่วนบัวชนิดที่สองเป็นพวกบัวปลิ่มน้ำยังไม่โผล่พล น, น้ำขึ้นมากำลังจะโผลแต่จะต้องใช้เวลาสักสองสามวันพอพอเวลาผ่านไปสักสองามวันก็จะกลายเป็นบัวเหนือน้าขึ้นมา แล้วพอมีแสงสว่างแห่งธรรมแสงอาทิตย์มามาสัมผัสก็จะบานออกมาส่วนพวกที่สามนี้ท่านเปรียบเทียบเหมือนกับบัวที่อยู่กลางน้ำคือยังต้องใช้เวลามากกว่าพวกเปลี่มน้ำกว่าที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นบัวเปลี่มน้ำแล้วก็เป็นบัวเหนือน้ำได้นี่คือสามพวกที่จะสามารถที่จะรับแสงสว่างแห่งธรรม หรือแสงแสงอาทิตย์ถ้าเป็นบัวส่วนพวกที่สีน่นี้เป็นพวกที่อยู่กับตรกับโครนยังไม่ได้โผล่ขึ้นมาโผล่ขึ้นมาได้นิดหน่อยแต่ก็จะโอกาสที่จะกลายเป็นบัวกลางน้ำบัวเหนือน้ำนี้ยากมากเพราะส่วนใหญ่จะกลายเป็นอาหารของปูของปลาไปคนที่ระดับจิตใจที่จะรับปัญญา รับแสงสว่างแห่งธรรมของพระพุทธเจ้านี้พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงพิจารณาไว้แบ่งเป็นสี่พวกพวกแรกนี้ที่เป็นพวกบัวเหนือน้ำนี้ก็คือพวกที่ได้ปฏิบัติสมถภ า, าวนาแล้วขั้นแรกคือได้ทําจิตใจให้สงบให้ให้ใสเหมือนกับแว่นตาที่ได้รับการเช็ดอย่างสะอาดแล้ว ถ้าแว่นตานี้มันมัวนี่อาจจะเห็นอะไรไม่ชัดเจนอาจจะเห็นแมวเป็นหมาก็ได้เพราะสมัยนี้แมวกับหมาตัวมันใกล้ขนาดเดียวกันก็มี ถ, ถ้าใส่แว่นมัวนี่เดี๋ยวดูไปให้หมาหรือแมวกันแน่แต่ถ้าเช็ดแว่นกระจกให้ใสปั๊บนี่จะรู้ทันทีว่าตัวไหนเป็นแมวตัวไหนเป็นหมาอันนี้ก็เหมือนกันจิตใจที่ยังไม่สงบ กิเลมันไม่ตกตะกอนใจมันเหมือนน้ำน้ำมันไม่ใสตกตะกอนมันไม่ตกมันมีของขุ่นมัวปนอยู่ในน้าแต่พอเราไปเอาสารส้มไปแกงมันสมัยนี้ญาติโยมอาจจะไม่ไม่รู้จักก็ได้ไม่เหมือนสมัยก่อนชาวบ้านนี่ต้องอาศัยน้าในแม่น้ำลำคลองเวลาตักน้ำขึ้นมาน้ามันยังขุ่นอยู่แต่ก็มีสารส้มสารส้มนี่เอาไปแกงไว้ในน้ำสักพักหนึ่ง มันจะทำให้ของที่เป็นขุนมัวนี้รวมตัวแล้วตกตะกรอนลงไปแยกออกจากน้าทำให้น้ำใสแล้วตะกรอนก็กลายเป็นเป็นขี้ดินอยู่อยู่ตกตงอยู่ใต้ในในตุ่มใต้ตุ่มก็สามารถตักน้ำที่ใสสะอาดมามาใช้ได้มากินมาดื่มได้สมัยก่อนไม่มีน้ำปรนะปาก็ต้องอาศายน้ำฝนน้ำลำคลององนี้ จึงต้องอาศัยการใช้แก่งสารส้มสารส้มนี้เป็นเคมีที่จะทําให้ดินต่างๆที่เป็นส่วนเลกๆที่ปนอยู่ในน้ําให้มันรวมตัวกันแล้วตกตะกอนลงไปแยกออกจากน้ําทําให้น้ําใสขึ้นมาใจของพวกเราก็เหมือนกันเวลาที่เรายังไม่ได้ทําสมาธินี้เราจะมีเรื่องขุนมัวต่างๆ ปนอยู่ในใจของเราคือเรื่องของกิเลสตัณหาโมหะวิชาเราจะมีเรื่องขุนมัวต่างๆแล้วก็มองอะไรก็มองไม่ถูกมองสลับเขาเรียกว่ามองเห็นผิดเป็นชอบเห็นตรงจากเป็นดอกบัวเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ของเราว่าเป็นของเราเป็นต้นมันก็เลยทําให้ยากต่อการที่จะเห็นความจริงได้ ก็เลยต้องทําให้ใจเราใสก่อนการจเจริญการจเจริญสมมาทัภาวนาก็คือการนั่งสมาธิการทําใจให้สงบ <c oughs> ให้จิตรวมเป็นหนึ่งเพราะจิตรวมเป็นหนึ่งกิเลสตัณหากับจิตก็จะแยกออกจากกันกิเลสก็จะตกตะกอนลงไปเหมือนน้ำจิตก็จะใสจะสว่าง จะเห็นอะไรเป็นอะไรครบถ้วนบริบูรณ์ตามความเป็นจริงทั้งหมดอันนั้นแหละเป็นจิตที่พร้อมที่จะรับแสงสว่างแห่งธรรมจากพระพุทธเจ้าได้ mm hmm. คือพวกที่ได้ได้สมาธิแล้วได้รูปฌานแล้วได้ฌานสี่หรื อ, อรูปฌานแล้วตรงนี้จิตใจเขาจะใสสะอาดเป็นส่วนใหญ่แต่ยังไม่บริสุทธิ์ตลอดเวลาเพราะากิเลส ย, ยังยังไม่ได้ถูกกาจัดออกไป ถึงถึงจะต้องใช้ขึ้นไปขั้นที่สองคือขั้นปัญญาขั้นปัญญานี่แหละจะเป็นผู้ที่จะมาตักตะกรอนแยกแยกตะกรอนออกจากน้ำํำต<ม>ักน้ำน้ำที่ใสใส่ไปอีกตุ่มหนึ่งแล้วก็ทิ้งทิ้งตะกรอนไว้อีกตุ่มหนึ่งอันนี้ก็เหมือนกัน<ม>ความรู้ความคิดต่างๆนี้มันมีสองแบบความรู้ความคิดที่ตรงกับความเป็นจริงเรียกว่าปัญญา ความรู้ความคิดที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเราก็เรียกว่าโมหะอวิชชาวิชชาทิฐิตอนนี้ผู้ที่ยังไม่มีสัมมาทิฐิไม่มีปัญญาก็ต้องอาศัยปัญญาของผู้ที่รู้ก็คือพระพุทธเจ้าการการฝึกสมาธินี้จะไม่ได้ทำให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาความรู้นี้เราได้มาจากพระพุทธเจ้านะครับ เพียงแต่ว่าตอนนตอนนี้เรารู้ก็รู้แต่ก็เอาทาก็มองไม่เห็นตามที่พระเจ้าทรงเห็นเพราะว่าใจของเรายังไม่ใสแว่นของเรายังไม่ยังไม่สะอาดยังเห็นเป็นอนิจจังยังเห็นเป็นนิจจังสุขขังอัตตาอยู่ใช่ไหมธรรมดาเราเห็นอะไรเรามักจะคิดว่าโอ้ยน่ารักน่าชมน่าให้ความสุขกับเราน่าจะอยู่กับเราน่าจะเป็นของเราไปตลอดเห็นอะไรก็จะคิดว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตา แต่พอเรา <c oughs> ทำใจให้สงบนี้ใจก็จะเห็นสามารถเห็นอีกอย่างหนึ่งได้แต่ต้องมีคนบอกให้เห็นถ้าไม่เห็นไม่มีใครบอกก็ยังจะไปคิดเหมือนเดิมอยู่คิดว่าอ๋อยังเป็นนิจจังสุ ข, ขงังนัตตาอยู่ <c oughs> แต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้นนี่ท่านก็จะมาบอกว่าของทั้งหลายทั้งทั้งปวงในโลกนี้ในใจคบนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยง <c oughs> เป็นนัตตาไม่ได้เป็นของเรา <c oughs> อย่างแท้จริง ไม่เป็นได้ก็แค่ชั่วคราวเวลามันจากเราไปมันก็จะทําให้เราทุกข์กันถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องไม่ไปยุ่งกับมันอย่าไปอาศัยมันให้ความสุขกับเราแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาของพระพุทธเจ้าเราก็ยังจะคิดว่ามันให้ความสุขกับเราอยู่เห็นรูปที่ชอบก็อยากได้ได้ยินเสียง ท, ที่ชอบก็อยากได้ เพรเวลาได้เห็นสัมผัสกับรูปกับเสียงกลิ่นรสที่เราชอบมันมีความสุขกันแต่เราไม่เห็นว่ามันเป็นของชั่วคราวนะได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็จางหายไปเราจรึงต้องคอยวิ่งหากันอยู่เรื่อยๆทุกวันนี้วันวนหนึ่งเนี่ยเราวิ่งหาอะไรกันก็วิ่งหารูปเสียงกลิ่นรสผุดพะะกันได้มาก็ดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็หมดไปหมดไปก็ทําให้เราเหงาทําให้เราว้าววัขึ้นมาอีกก็ต้องไปหาอีก แล้วถ้าหาไม่ได้ก็ยิ่งทําให้เราวุ่นวายใจอทุกข์ใจขึ้นมานี่แหละคือความทุกข์ของพวกเราเกิดจากการไม่เห็นอนิจจังอนัตตาในสิ่งต่างๆที่เราไปลองคิดว่าเป็นสุขขังกันนั่นเอง <c oughs> เรายึงต้องเห็นว่ามันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวอนัตตามันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดได้มาแล้วเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการจากกันนั้นถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปมีมันดีกว่า ว่าเราสามารถอยู่อย่างไม่มีทุกข์ได้ถ้าเราอยู่เฉยๆได้ทำใจให้เฉยๆได้ถ้าเรามีสมาธิเราก็จะสามารถบอกใจด้วยปัญญาที่พระเจ้ามาบอกพวกเราว่าต่อไปนี้เราอย่าไปหาอะไรมาให้เราทุกข์เลยอยู่เฉยๆดีกว่าคืออย่าหาเหามาใส่หัวตอนนี้หัวเราสะอาดแล้วสะผมเรียบร้อยแล้ว อย่าไปหาเหามาใส่หัวไปหาหนู่นหานี่มาใส่คิดว่ามันจะทำให้หัวมันสวยขึ้นที่ไหนได้กลายเป็นมะเร็งก็มีใช่ไมมะเร็งผิวหนังเอาอะไรมาทำผมเดี๋ยวผมก็กลายเป็นโรคขึ้นมาอีกมีปัญหาต่างๆขึ้นมาเห็นอย่าไปหาเหามาใส่หัวอย่าไปหาสิ่งต่างๆมาให้ความสุขกับใจใจสามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องมีอะไรนี่คือความจริงที่พระเจ้าได้ส่งคนพบ พอใจจะมีความสุขยิ่งกว่าความสุขทั้งปวงถ้าใจไม่มีอะไรเลยไม่ต้องอาศัยอะไรมาให้ความสุขดังั้นพอเห็นอย่างนี้ก็จะสามารถตัดกามความอยากในกามในรูปเสียงกลิ่นรดได้ตัดความอยากในความสุขของรูปฌานได้ตัดความสุขไหนของของรูปฌานได้เพราะความสุขเหล่านี้เป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ไม่ถาวรนั่นเอง มีเจริญแล้วเดี๋ยวก็ต้องมีเสื่อมพอเวลามันเสื่อมมันก็จะทำให้เรารู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลียวรู้สึกเศร้าเสียใจสังเกตสังเกตดูทุกครั้งที่เราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปรู้สึกอย่างไรบ้างดีใจั้มไม่มีใครดีใจมีแต่ร้องห่มร้องไห้กัน <c oughs> แล้วก็ต้องเสียทุกคนเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้เป็นของชั่วคราวนั่นเองนี่คือปัญญาที่เราจะเอามาใช้ต่อหลังจากที่เราได้สมาธิ การปัญญานี้เราเรียกว่าวิปัสนาภาวนาสอนใจให้ฉลาดให้รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในตายภพนี้ในโลกนี้คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะรูปปชาณารูปประชานี้ร้อนเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะต้องหมดสิ้นไปวันใดวันหนึ่งและเวลามันหมดสิ้นไปมันก็จะเกิดทําให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอันนี้แหละเป็นการที่จะทําให้เรา สามารถมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาได้ด้วยการปฏิบัติธรรมสองระดับนี้ตอนนี้พวกเราอาจยังไม่ถึงขั้นนั้นก็ได้เพราะเรายังไม่ได้เป็นบัวเหนือนอ้อําพวกบัวเหนือน้ำนี่เป็นพวกที่พระเจ้าทรงสอนเป็นพวกแรกคือพวกที่มีสมาธิแล้วก็คือพวกนักบวชทั้งหลายที่ได้เข้าฌานได้เข้าฌานได้มีสมาธิพอแสดงทางปัญญาเขาก็ สามารถรับแสงสว่างแห่งธรรมได้สามารถเห็นความเป็นจริงต่างๆของของโลกนี้ได้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์สะเพสังคาราอานิจจาไม่เที่ยงสะเพสังคาราทุกขงังสะเพธมาอนัสานตาเมื่อเห็นแล้วก็เห็นตามความเป็นจริงเพราะเพราะใจนิสะอาดใจใสไม่ไม่มีโมหะอวิชามาคอย ทำให้มัวทำให้มองเห็นผิดเป็นชอบท่านก็เลยตัดความต้องการในสิ่งต่างๆได้อยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรเหมือนคนที่เคยติดยาเสพติดแล้วก็รู้ว่ายาเสพติดนี้มันเป็นพิษเป็นภัยก็ฝืนอย่าไปติดมันเลิกเสพมันพอเลิกเสพมาแล้วกลับมีความสุขกว่าตอนที่เสพยาเสพติดเพราะมันไม่มีความทุกข์เหมือนกับตอนที่เสพยาเสพติด ยาเสพติดอาจจะให้ความสุขเป็นพักๆไปแต่เวลาที่ไม่มียาเสพมันจะรู้สึกทรมานมากไม่ต้องเป็นยาเสพติดก็ได้เอาของที่พวกเราติดกันนี่แหละของเราติดอะไรลองเลิกดูสักวันสิติดกาแฟว่าวันนี้จะไม่กินกาแฟสักวันดูมันจะเป็นยังไงติดบุหรี่จะไม่สูบบุหรี่สักวันติดมือถือนี่จะเลิกใช้มือถือสักวันได้ไหมดูเซี้ยวมันจะเป็นยังไงใจจะสุขไหมมันไม่สุขมันทุกข์ แต่ถ้าเลือกได้อย่างถาวรมันจะสุขไม่ต้องมากังวลกับเรื่องมาชาร์แบบไม่ต้องกังวลกับติดตามเหตุการณ์ต่างๆให้วุ่นวายใจปลบไปเปล่าๆอันนี้แหละคือสิ่งต่างๆที่มาทำให้พวกเราทุกข์กันก็คือสิ่งที่เราไปติดสิ่งที่เราไปคิดว่ามันให้ความสุขกับเราแต่ทั้งทั้งหลายทั้งปวงมันมีแต่จะให้ความทุกข์ของเรามันอาจจะให้ความสุขเราเป็นพักๆไปเป็นบางช่วงเท่านั้นเอง แต่เวลาที่มันไม่สามารถให้ความสุขกับเราได้เราก็จะเจอแต่ความทุกข์กันนี่คือผู้ที่มีสมาธิแล้วจะสามารถพอรู้ว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เพราะไม่เที่ยงเพราะไม่ได้เป็นของเรานี้ก็จะเลิกได้เลิกติดได้ไม่เอาอันนี้เป็นพวกแรกพวกที่บัวเหนือน้าพวกที่บัวปริมน้าก็คือพวกที่กาลังฝึกสมาธิอยู่ยังไม่ได้สมาธิ ต้องฝึกสมาธิให้ได้ฌานก่อนพอได้ฌานแล้วก็สามารถที่จะขึ้นไปสู่ระดับปัญญารับแสงสว่างแห่งธรรมได้ส่วนพวกที่สมนี่คือเป็นพวกที่มีแต่ยังไม่ได้บวชเป็นคารวะญาติโยมอยู่ยังไม่มีโอกาสที่จะมารักษาศีลได้อย่างเต็มที่ยังไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติฝึกสมาธิได้ ก็ต้องใช้เวลาทำบุญทำทานหรือปฏิบัติแบบแบบมือสมัครเล่นไปก่อนวันไหนว่างก็รักษาศีลห้าบ้างรักษาศีลแปดบ้างฝึกนั่งสมาธิบ้างเช้าเย็นก่อนนอนหลังจากตื่นขึ้นมาก็ทำได้เท่านี้เพราะชีวิตยังต้องมีภาระอย่างอื่นต้องทำอยู่แต่ถ้าลองได้ปฏิบัติแล้วเริ่มเห็นผลขึ้นมาก็อาจจะอยากจะปฏิบัติมากขึ้นก็จะหาเวลามาปฏิบัติมากขึ้น แล้วต่อไปก็จะสามารถไปไปอยู่แบบนักบวชได้ไปบวชได้แล้วก็สามารถที่จะพัฒนาได้ฌานได้สมาธิแล้วก็ได้ปัญญาตามลาดับต่อไปส่วนพวกที่สี่นี้คือพวกที่ไม่เอาเลยเรื่องศาสนาเรื่องเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องวินว่ายตายเกิดเรื่องคำสอนต่างๆของนักบา่าเช่นพระพุทธเจ้านี้เขาจะคิดว่าเป็นเรื่องงมงายทั้งนั้น พวกนี้ก็จะเป็นพวกที่ไม่มีโอกาสที่จะได้รับแสงสว่างแห่งธรรมเพราะเขาปิดกั้นในตัวของเขาเองด้วยโมหะอวิชชาความมืดบอดความหลงของเขาเองนั่นเองพวกนี้พระพุทธเจ้า ก, ก็ไม่สอนไม่สอนให้เสียเวลาสอนเขาก็ไม่ฟังเขาจะเอาแต่หาเงินหาทองหาลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆพอชวนให้ไปวดัดไปฟังเทศฟังธรรมก็ไม่เอาให้ไป ปฏิบัติธรรมก็ไม่ไปให้รักษาเสียก็ไม่รักษาอาจจะทําได้เป็นครังเป็นคร า, าวก็อาจจะทําบุญทําทานมีหนึ่งวันเกิดเนี่ทําบุญท่าหน่อยปีใหม่ทําบุญท่าหน่อยอะไรทํานองนี้เท่านั้นเองแต่จะโอกาสที่จะเข้าไปถึงแสงสว่างธรรมนี้เป็นไปได้ยากอย่างยิ่งนี่คือเรื่องราวของแสงสว่างแห่งธรรมที่ท่าน ท, านทานั้งหลายได้เข้ามาหากันในวันนี้ก็<ฆ>เอามาฝากท่านไว้ เพื่อให้ท่านได้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเพื่อจะได้นำมาไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวารีวาหาปุราริกปเรนติสาขลังเอวามวาอิโตทินังเปตานาังอุ ป, ปกัปติ อิจิตังปฏทิต um ังตุมหังกิปเมวะสมิจฉาตุสัพเพปุเรตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณนิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจฉาตุสัพพารโควินัสต ok ุ มาเตพวโตอันตารายุสุขีทีคายุโกภวะอพิวาธนสิลิสนิจังวุธาปจายโนจตารธรมาวาทานติอายุวโนโสุขังพาลังช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถาม ใครมีคำถามอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็ต้องของดเพราะไม่สะดวกถ้าอยากจะถามขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ไม่ถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทางบ้านเท่าไหร่จาก f a c e b o o ส 334, y อ u สา b สิบสี่ยูทูบสองยสวิทยุออนไลน์สิบสาม ผูรัฟังหน้ากุฏิหนึ่งรอยสี่สิบห้ารวมเจ็ดร้อยสิบสี่ท่านค่ ะ, ะถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยถามเองก็ส่งไมค์ไปกับเรียนพระอาจารย์เจ้าค่ะปกติลูกจาปฏิบัติโดยกำหนดลมหายใจเจ้าค่ะเมื่อถึงเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบ ความว่างแล้วตัวรู้กับลมหายใจเหมือนมันอยู่ใกล้ๆกันแล้วบางทีมีสับสนว่าควรที่จะอยู่กับตัวรู้หรือพวงอยู่กับลมไปก่อนถ้ายังรู้ลมได้ดูลมไปก่อนจนกว่าลมจะหายไปหมดแล้วก็ค่อยดูตัวรู้ต่ออยู่ตัวรู้แล้วก็คอ่ อ, คอยคุมมาให้คิดอย่าให้ตัวคิดมันโผล่ขึ้นมาหยุดมันเวลามันจะคิดก็หยุดมันะ แล้วถ้ามันสงบนิ่งจริงๆแล้วมันจะไม่คิดมันจะรู้เฉยๆแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงคาบดอกคาบลู้คาบดอกระหว่างลมกับตัวรู้อยู่งั้นถ้ายังมีลมก็อดดูลมไปเรื่อยๆอย่าทิ้งลมแล้วอย่าไปสนใจกับเรื่องอื่นตัวรู้อาจจะเป็นตัวรู้ปลอมก็ได้ตัวรู้ที่เราปรุงขึ้นมาเองว่าเป็นตัวรู้งั้นอย่าไปสนใจให้อยู่กับลมไปจนกว่าลมจะหายไปแล้วจิตนวลสงบแล้วตัวรู้มันก็จะมันก็จะชัดขึ้นมใหม่ มันจะมันจะรู้แบบที่เรามันมันพูดไม่บอกว่าพูดไม่พูดไม่ได้มันเป็นตัวรู้เป็นยังไงแต่มันจะรู้ในใจของตัวเออันนี้เหลือแต่ตัวรู้เพราะถ้าไม่มีตัวรู้มันจะไม่รู้อะไรเลยใช่ไมยังไม่ต้องกังวลเรื่องตัวรู้ตอนนี้ให้มีสติดูลมแล้วก็คอยคุมความคิดไว้อย่าให้มันคิดถ้ามันคิดว่านี่ตัวรู้รู้เปล่านี่ก็ไม่ใช่แล้วอย่าปล่อยให้มันคิด ให่อยู่กับลมไปเรื่อยๆให้มันความคิดหายไปหมดเลยแล้วมันก็จะรู้ว่ า, เ, าเมื่อหายไปหมดแล้วก็เหลือแต่ตัวรู้เพราะมันต้องมีตัวรู้ถึงรู้ว่าทุกอย่างหายไปหมดนะขอบพระคุณค่ ะ, ะข้อสาคัญคือเราต้องการความความนิ่งสงบความสบายใจความสุขใจถ้ามันสงบจริงแล้วมันจะเป็นความสุขที่ไม่เหมือนความสุขอย่างอื่นถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็นั่งต่อไปแล้วเนี่ยดูลมต่อไปอขอบพระคุณค่ะ จะผูจผูรับฟังหน้ากุติคะ่ะสติกับปัญญาสิ่งไหนเกิดขึ้นก่อนกันคะอ๋อสติก่อนสติเป็นตัวควบคุมจิตให้คิดไปทางปัญญาหรือให้คิดไปทางกิเลสถ้าไม่มีสติความคิดก็จะไปทางกิเลสแต่พอมีปัญญาปั๊บก็สามารถดึงจิตให้มาคิดทางปัญญาได้แต่ปัญญานี้ต้องอาศัยปัญญาของผู้ถ้าเราไม่มีปัญญาเอง อ, อาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าเช่นไตรลักษณ์รอริยสัจ ส, สี่ีถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราจะไม่รู้จักพวกนี้มีคําถามหรือครับยมอยากถามพระอาจารย์เกี่ยวกับการนั่งสมาธิครับผมนั่งไปช่วงแรกๆ ก, ก็จะรู้สึกเหมือนสงบเหมือนรวมเข้ามาครับแต่ยังมีความคิดยังฟุ้งอยู่นะครับ แต่ผ่านไปสักระยะหนึ่งกืบเกือชั่วโมงหรือเงี้ยครับมันก็จะเหมือนคลายออกแล้วรับรู้ความสุขเหมือนเหมือนเปิดเหมือนสว่างเหมือนโล่มันเหมือนออกจากสมาธิแล้วมันจะคลายยากเอ้ยมันจะเข้ามาอีกยากครับไม่แน่ใจว่ามันแบบมันเหมือนคนนอนอิ่มแล้วตื่นแล้วมันไม่เข้าไปหลับอีกหรอครับอ่ก็ดีถูกต้องถ้ามีสติมีมันถ้ามีสมาธิก็แสดงว่ามีสติคอยควบคุมความคิดได้คอยควบคุมอารมณ์ต่างๆ ถึงแม้จะออกจากสมาธิมาแล้วก็ยังสามารถที่จะคอยคุมความคิดต่อไปได้คิดน้อยลงคิดเท่าที่จําเป็นถูกแล้วใช่ไหมครัถูกแล้วถูกแล้วแล้วพอออกมาแล้วต้องทํายังไงต่อครับถ้าสติยังไม่ดีพอก็ฝึกสติต่อไปใช้ควบคุมจิตให้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้เรียกว่ากายกตาสติหรือจะใช้คําบริกีรมพุทโธพุทโธ ไปก็ได้ถ้าเราไม่ต้องการจะต้องการจะเฝ้าดูร่างกายแล้วก็พุโทโธพุโทโธไป<ม>อาบน้ํำล้างหน้าแปลงฟันก็พุโทโธไปคอยควบคุมความคิดอย่าให้มันไปคิดเรื่องราวต่างๆ<ม>แล้วพอมีเวลาว่างก็กลับไปนั่งใหม่แล้วถ้าสติดีขึ้น ม, มันก็จะเข้าง่ายเป็นแทนทียจถึงชั่วโมงอาจจะครึ่งชั่วโมงมันก็เข้าได้ต่อไปห้านาทีสิบนาทีมันก็เข้าได้ถ้าสติดีถ้าจิตไม่เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เลย นั่งสมาธิห้นาทีมันก็จะเข้าสู่ความนิ่งความสงบได้ mm hmm. ยังขั้นต้นนี้อย่าเพิ่งไปทางปัญญาเวลาเอามาจากสมาธิแล้ว mm hmm. เข้ามาเจริญสติต่อฝึกสติต่อคอยควบคุมความคิดให้จิตอยู่ในปัจจุบันให้สักแต่ว่ารู้รู้ว่ากําลังทําอะไรเนื้อให้รู้อยู่กับพุโทโธไปแต่อย่าไปรู้กับความคิดต่างๆ mm hmm. แล้วก็มีเวลาว่างก็พยายามนั่งให้มากๆนั่งบ่อยๆ แล้วต่อไปเราจะชำนาญทางสมาธิสามารถนั่งสมาธิเข้าได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายไม่รู้สึกอึดอัดไม่รู้สึกว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็นั่งหลับตาดูลมไปปั๊บเดียวดูอยู่กับลมอย่างต่อเนื่องห้านาทีสินาทีมันก็นิ่งได้สบายก็เวลามันนิ่งก็พยายามใช้สติรักษาให้มันนิ่งไปนานๆเราต้องการความนิ่งเราต้องการความเป็นกลางคืออุเบกขาที่เกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิ เพื่อที่มาใช้ในการต่อสู้กับอารมณ์ต่างๆต่อไปเวลาเราออกมาสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสเราจะได้ไม่เกิดความรักชังโกหลงขึ้นมาเราก็จะได้รู้เฉยๆได้ไม่หวั่นไหวกับสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้ถ้ามันหวั่นไหวก็เอาปัญญามาสอนว่าสิ่งที่ ร, รับรู้เรารับรู้เป็นอนิจจ์ทุกขังอนัตตาไม่เทียมเกิดแล้วเดี๋ยวก็ดับไปอนัตตาเราไปห้ามเขาไม่ได้ไปสั่งเขาไม่ได้ ถ้าไปอยากให้เขาเป็นไปตามความอยากของเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นถ้าไม่มีความอยากก็ไม่ทุกข์ก็ปล่อยเขาอยู่ไปตามเรื่องของเขาเขาเกิดก็ปล่อยเขาเกิดเขาดับก็ปล่อยเขาดับไปใจเราก็จะว่างใจเราก็จะไม่มีอารมณ์ไม่มีความทุกข์กับสิ่งต่างๆจะพูดรับฟังหน้ากุฏิค่ะ นิพพานคืออะไรคนธรรมดาทั่วไปสามารถไปถึงนิพพานได้ไหมคะได้ทุกคนไปได้หมดถ้ามีเครื่องมือมีรถพาไปรถที่นี้ก็คือศีลสมาธิปัญญาถ้าปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้ครบร้อยก็ไปถึงนิพพานได้นิพพานก็คือจิตของเรานี่แหละที่ได้รับการชำระกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจจิตเราเมื่อไม่มีความโลภความโกรธความหลงก็มันก็เป็นนิพพาน ถ้ายังมีความโลภความโกรธความหลงมันก็เป็นวัฏฏะสงสาร ย, ยังเวียนว่าตายเกิดอยู่นิพพานก็คือหยุดการเวียนว่าตายเกิดได้เลยจะทําอย่างไรให้สามารถนั่งสมาธิได้ทุกวันค่ะก็บังคับสิมันยากตรงไหนเวลาเที่ยวมาเห็นต้องทํำยังไงต้องถามเลยทำยังไงจะได้เที่ยวทุกวันขอให้มีเงินเถิดอันนี้ก็เหมือนกันเราก็ต้องบังคับเอาเวลาที่เราไปทำเรื่องอื่นมา มานั่งสมาธิกำหนดตารางป่อไปนี้ตื่นเช้าขึ้นมาก่อนจะไปทำลายขอนั่งสมาธิสักชั่วโมงก่อนแล้วก่อนนอนคืนนี้ก็ขอให้นั่งสมาธิชั่วโมงก่อนนอนอันช่วงนั้นจะเป็นเวลาที่ว่างที่สุดก่อนเราระหว่างวันนี้มันอาจจะมีงานการมีเรื่องราวต่างๆมาคอยขัดขวางก็เอาตอนก่อนนอนหันนอนนอนหัวค่ำหน่อยตื่นแต่เช้า ตัดเรื่องละครทีวีเรื่องอะไรไปที่มันไม่จำเป็นยัต้องทำทำแต่เรื่องที่จำเป็นต้องทำเรื่องที่ไม่จำเป็นก็เอามานั่งสมาธิแล้วก็นอนหัวค่ำหน่อยจะได้ตื่นเช้าๆจะได้มีเวลานั่งอีกสักชั่วโมงมีถ้าเราจ ะ, จะสรรหาเวลามันมีเยอะแยะไปเวลา ท, ทุกคนเหมือนกันใช่ไหมวันหนึ่งทุกคนก็มียี่บสี่ชั่วโมงทำไมาเรานั่งสมาธิได้ทั้งวันทั้งคืนทำไมญาติโยมทาไมานั่งไม่ได้ พ่ายัางตัดงานอย่างอย่างอื่นไปไม่ได้สนเราตัดไปหมดแล้วเราไม่ทำอะไรนอกจากบินนบาาหาข้าวกินนั่นเอง <c oughs> ตรงนั้นก็อยู่คนเดียวนั่งสมาธินอนสมาธิเดินสมาธิไปตามความต้องการการพยายามตัดภารกิจจังๆที่ไม่จำเป็นไปจะได้มีเวลามานั่งสมาธิกันได้เคยได้ยินธรรมจากพระอาจารย์ว่าคนที่นิสัย เป็นแบบไหนนั้นคือสืบเนื่องมาจากอดีตชาติที่เคยเป็นมาแล้วจะมีวิธีไหนบ้างคะที่จะทําให้คนที่ไม่ดีในชาตินี้เปลี่ยนแปลงเป็นคนดีขึ้นมาได้ค่ะก็ต้องอาศัยคนดีไปอยู่กับคนดีคนดีก็ไม่กินเหล้าถ้าเราเคยกินเหล้าเขาไม่กินเหล้าก็ไม่มีเหล้ากินแต่ก็เล่นการเราเล่นการพ น, นันเขาไม่เล่นการพ น, นันพอไปอยู่เขาก็ไม่มีการพนันจะเล่นได้อยู่กับคนดีสิ่งแวดล้อมที่ดีมันก็ มันก็ห้ามเราไปในตัวแต่ถ้าเรามันสันดานมันหนาอันนี้ก็ช่วยไม่ได้เขาไม่กินก็ออหนีไปหาที่หนีออกแอบออกไปกินเนี่ยบางคนมาอยู่วัดเนี่ยติดแล้วพอมาอยู่วัดใหม่ๆก็อยู่ได้อยู่ไปสักพักอาะแอบไปเมาข้างนอกกลับมาพอ mm hmm. เตือนข้างแรกก็ฟังเดี๋ยวอีกสักสองสามวันเาม า, เอาอีกแล้วนในที่สุดพ่อเขาบอกป้ากลับบ้างถิดอยู่ก็ไม่เกิดประโยชน์ เพราะห้ามจิตใจของตัวเองไม่ได้อย่างน้อยถ้าเราไปอยู่กับคนอื่นเขาไม่ทำมันก็จะมี ม, มีมีสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้การเดืม่มรุอาของเรานี่มันยากขึ้นทำในสิ่งที่ไม่ดียากขึ้นแต่พ้าถ้าเราไม่ไม่มีกําลังที่จะควบคุมความความอยากหรือนิสัยของเราได้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องกลับไปทำตามเดิม จะสร้างบารมีแบบไหนที่จะส่งเสริมในการปฏิบัติให้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วคะ อ, อ๋อมันก็ต้องเริ่มด้วยเมตตาบารมีจิตใจต้องมีความเมตตาอย่าไปมีศัตรูกับใครอย่ามีความรักความเป็นเมตต์กับทุกคนมันจะทําให้จิตนี้สงบง่ายเวลานั่งสมาธิอานิสงส์ของความมีเมตตาก็จะทําให้มีมี มีจิตที่จะสงบง่ายฉนั้นพยายามมีเมตตาคนที่มีเมตตาก็มักจะทําบุญทําทานรักษาศีลอันนี้เป็นการปฏิบัติของคนที่มีความเมตตาจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ความสุขแก่ผู้อื่นก็ทําบุญทำทานแล้วไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็จะรักษาศีลจะทําอะไรก็จะไม่ทําให้คนอื่นเขาเดือดร้อนแล้วพอมีเมตตาแล้ว จะนั่งสมาธิก็ต้องฝึกสติก่อนต้องคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้จิตคิดด้วยเปลื่อยไปเรื่อยๆทั้งวันทั้งคืนพยายามควบคุมให้อยู่กับพุทโธพุทโธเน้อให้มันเฝ้าดูร่างกายว่ากําลังทําอะไรอยู่อย่างนี้จะทําทให้เรามีสติคอยควบคุมความคิดได้พอเรานั่งมันก็จะสงบได้ง่ายเนี่ยก็มีแค่นี้แหละมีเมตตาทำบุญทำทานรักษาศีลแล้วก็ฝึกสติอยู่เรื่อยๆ คำว่าบารมีเต็มแปลว่าอะไรและจะทำอย่างไรครับที่จะทำให้บารมีเต็มบารมีก็เหมือนกับน้าในตุ่มน้าในตุ่มก็มีตั้งแต่ขันนึ่งขึ้นไปถึงเต็มตุ่มบารมีก็เหมือนน้ำที่เราจะต้องคอยเติมเข้าไปในตุ่มเช่นเมตตาบารมีวันหนึ่งเราเราแเรามีเมตตาได้นานสักเท่าไหร่พอใครเข้ามาทำให้เราโกรธนี่เราให้อภัยเขาได้หรือเปล่า แล้วพอเราอยากจะได้อะไรเราจะไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเติมบา ร, รมีถ้าเราจะเติมบา ร, รมีเราก็ต้องไม่โกรธใครโกรธเราก็ไม่อาคา่าไม่พยาบาทไม่จองเวรจองทรรมให้อภัยทาอะไรก็ระวังไม่ให้ไปทำคุให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อนไม่ไปเบียดเบียนเขาแล้วก็ถ้ามีของมีเงินเหลือเฟือก็เอาไปแบ่งไปแจกคนอื่นที่เขาไม่มีบ้าง อันนี้ก็เป็นการเติมบา ร, รมีเข้าไปในตุ่มทานบา ร, รมีก็ทําทานศีลบา ร, รมีก็รักษาศีลนิคัมมะบา ร, รมีก็ไปอยู่ไปปีกวเวกอยู่คนเดียวยุติการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ไปเจริญสติเพื่อให้ได้สมาธิได้อุบเบกขาแล้วก็ไปฟังทําให้เกิดปัญญาขึ้นี่ก็คือการเติมบา ร, รมี ญาติโยมมาที่นี่ก็มาเติมบารมีกันเติมปัญญาบารมีเติมสติบารมีพอจะฟังทำให้เข้าใจก็ต้องมีสติใจต้องจดจ่ออยู่กับกับกับการฟังถ้ามีสติก็จะได้อุเบกขาบารมีไปด้วยเพราะจิตจะนิ่งจะเย็นจะสบายอันนี้คือการเติมบารมีพ่อแม่เปรียบเหมือนพระอรหันต์ของลูก ถ้าท่านได้จากไปแล้วลูกๆอยากจะเก็บอัฐิชิ้นเล็กๆไว้ติดตัวเพื่อระลึกถึงท่านจะเป็นการสมควรไหมคะสามารถทำได้หรือไม่มีข้อห้ามอย่างไรไหมคะจะอะไรนะอยากจะเก็บอัฐิชิ้นเล็กๆไว้ติดตัวเพื่อระลึกถึงท่านจะเป็นการสมควร <AL> หรือไม่คะมีข้อมไหม่มีข้อห้า ม, มแต่อย่างไรแล้วแต่เราแล้วแต่เราอยากจะเก็บไว้ก็ได้ <S <S <S คนบางคนกลัวผีไม่อยากจะเก็บกระดูกของใครไห เดี๋ยวกลัวผีจะมาเยี่ยมอ้าวหนูมีอะไรเหลจ๋จ๊ะมีจดหมายเข้ามาเล ย, ยเวลานั่งสมาธิแล้วมีอาการตัวยืดตัวพองตัวโยกบางครั้งก็กลับฟันเป็นประจำเป็นเพราะอะไรและควรปฏิบัติต่อไปอย่างไรคะเพราะเผลอสติควรจะดึงจิตให้กลับมาดูลมเริ่มมาพุทโธต่อถ้านั่งเฉยๆเดี๋ยวมันก็เกิดอาการต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาได้ เวลานั่งสมาธิต้องมีอะไรคอยควบคุมใจอย่านั่งเฉยๆในมาอาจจะดูลมสักพักแล้วก็ขี้เกียจ ด, ดูหยุดดูเดี๋ยวมันก็จะมีอารมณ์อะไรต่างเกิดขึ้นมาได้หรือพุโทโธไปสักพักแล้วก็หยุดพุดโทโธอย่าหยุดทําไปเรื่อยๆช้าบ้างเร็วบ้างก็ได้พุโทโธช้าบ้างพุโทโธเร็วบ้างก็ได้แล้วแต่ความเหมาะสมดูลมก็ดูไปให้ดูเฉยๆนี่ไม่ให้ใจไปที่อื่นให้มีอะไรคอยดึงมันไว้ ถ้าไม่มีอะไรดึงมันไว้เดี๋ยวมันไปแล้วมันไปสร้างอาการต่างๆ น, นี้ขึ้นมาจะพูดบับปักนากุฏิอีกสองคำถามนะคะอยากทราบว่าเวลานั่งสมาธิจิตนิ่ง สว่างสักพักจะมีนิมิตทำให้จิตต้องตามรู้ทำให้ไม่สงบแล้วไม่สามารถนั่งได้นานเกินกว่าสองชั่วโมงจะทำอย่างไรเจ้าคะให้นั่งสมาธิได้นานจนถึงปฐมญานค่ะก็ดูลมต่อไปหรือพุโทโธต่อไปแ้ะแต่การนี้ถ้าเราใช้พุโทโธก็พุโทโธต่อไปถ้าเราดูลมก็ดูลมต่อไป ในเวลาเข้าทางโลกจะรู้สึกทรมานในการระงับกิเลสจะทําอย่างไรได้บ้างเจ้าคะก็ต้องก็ต้องใช้สติคอยควบคุมเวลานี้กความรู้สึกอึดอาดก็ใช้พุทโธพุทโธไปท่งพุทโธพุทโธไปคลายในใจอากมณอาการอึดอัดต่างๆภายในใจก็จะคลายลงหรือจะใช้ปัญญาก็ได้พิจารณาสิ่งต่างๆว่าเป็นไตรลักษ ว่ามันเป็นอย่างนี้แหละเราอยู่ในเรื่องนี้เหตุการณ์ธรรมดมันเป็นอย่างนี้เมื่อเรายังต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยก็ต้องยอมรับมันยอมรับสราทอย่าไปต่อต้านถ้าต่อต้านมันก็จะทำให้เรารู้สึกอึดอัดขึ้นมาผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้ามีแม่ชอบชักสร้างมิสินให้ลูกตามใช้ลูกเตือนอย่างไรก็ไม่ฟังถ้าไม่ใช้มิสินก็บอกว่าไม่ทดแทนบุญคุณจะเป็นบาปเราควรจะทําอย่างไรถ้าไม่ใช้มิสิน ถ้าไม่ใช้นี่ให้ก็จะมีบาปติดตัวไหมครับอ๋อไม่มีอเพียงแต่ไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้ทดแทนบุญคุณยังไงเพียง แ, แต่ว่าพิธีทดแทนบุญคุณมันก็ต้องมีขอบมีเหตุมีเหตุมีผลถ้าแม่ไปสร้างนี่อยู่เรื่อยๆแล้วเราไปใช้นี่ให้ท่านอยู่เรื่อยๆมันก็จะเป็นการส่งเสริมให้ท่านไปก่อห น, นี้อยู่เรื่อยๆในบางทีเราก็อาจจะต้องพักไป้ช่วข่าวให้แม่จ่ายเองบ้าง พอตั้งใจองต่อไปก็อาจจะไม่ไปสร้างนี่ก็ได้ต้องมีการดัดนิสัยบ้างแต่ไม่ได้มาคำ ว, ว่าเราจะไม่ไม่เหลียวแลไม่ดูแลท่านเราก็ดูแลในในเรื่องจําเป็นเรื่องปัจจัยสี่ไม่มีข้าวก็หาข้าวมาให้ท่านกินไม่มีน้ําำขาเสื้อผ้าหรือขาอะไรของอะไรี่เราก็หาได้แต่เรื่องนี้นี้ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของท่านไปท่านอยากจะสร้างก็ตอนตั้งอาจจะลองช่วยสักครั้งสองครั้ง แต่พอทำไปแล้วท่านท่านไม่หยุดสถีอันนี้เราก็หยุดได้เพื<ม>่อที่จะได้ให้ท่านมีสติบ้างว่าเออเป็นการไปสร้างภาระให้กับคนอื่นนี่ไม่จำเป็นเรยจะไปบังคับให้เขาเป็นการทดแทนบุนคุณนี้ไม่ถูกเ<ม>พราะแม่ที่ดีจริงนี้ไม่หวังไม่หวังอะไรตอบแทนจากทูกลูก<ม>ทำด้วยความเมตตาให้ให้อย่างเดียวคำถามฝากถามค่ะลูกสาวผมตายเมื่อปีที่แล้ว ทุกวันนี้ผมยังเก็บศพลูกไว้ในโรงเงย็นที่วัดผมจะมีความสุขทุกครั้งที่ได้ไปพูดคุยหน้าลงศพและทุกใจทุกครั้งที่ได้ดูวิดีโอภาพของลูกจะทำอย่างไรครับเพื่งจะหายจากความทุกข์ถึงจะหายจากความทุกข์นี้ได้ผมไม่สามารถลืมได้เลยครับเรียนหลวงพ่อช่วยแนะวิธีให้ด้วย<อ>วิธีจะล ะ, ละความทุกข์ก็เคย อ, อยากไปดูของที่เกี่ยวกวับลูกทั้งหมด เอาไปทิ้งไปเลยให้หมดไปมันไปเป็นอดีตไปแล้วมันผ่านไปแล้วเราเอาเพลงแต่เอาภาพของมันมาสร้างความทุกข์ให้กับใจเราเปล่าๆก็มีอะไรที่เห็นแล้วทําให้เราทุกข์ก็เอาไปทิ้งได้เลยเอาไปเอาไปไว้ที่อื่ที่เราไม่สามารถที่จะดูจะเห็นได้จะดีกว่าพอาไปดูไปเห็นทีไรก็จะเกิดความเข้าใจขึ้นมาทุกที คุณโฟก์ดีทีหากยังไม่สามารถปฏิบัติจนนิพพานการกลับมาเกิดใหม่โดยไม่ต้องมีร่างกายนี้จะได้ไหมครับต้องปฏิบัติอย่างไรครับก็ต้องไปปฏิบัติถึงขั้นพรนะนาคาเมเนพระอริยบุคคลขั้นที่สาที่ท่านตัดกามอารมณ์ต่างๆได้หมดแต่ยังมีความยึดติดในรูปประชานานะรูปประชานอยู่ท่านก็จะไปเกิดบนสวรรค์ขั้นรูปภพกับอรูปภพเท่านั้นแต่ถ้า ท่านยังไม่จัดการอารมณ์ได้ก็ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะต้องเ ส, ลเสดลูกเสียงกลิ่นรสก็ต้องมีร่างกายมีตาหูจมูกลิ้นกายไว้เสดแต่ถ้าไม่ต้องเสดรูกเสกียงกลิ่นรสก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายสําหรับผู้ที่เข้ารูปทานได้รูปทานได้นี้ยังต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อยู่เพราะว่ายัางไม่ได้กําจัดการอารมณ์เพียงแต่เป็นการกดอําโนมไว้ด้วยสติเพียงอย่างเดียว การอารมณ์ยังมีอยู่พอพอสติวิ้ชานี้อ่อนลงการอารมณ์มันก็เกิดขึ้นมันก็จะทำให้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปก่อนผู้ไม่ประสองค์ออกนาม ผู้ปฏิบัติควรมีการปรับตารางการปฏิบัติอย่างไรบ้างเจ้าคะเช่นการเดินจงกรมหลายๆชั่วโมงแล้วมานั่งสมาธิหรือการเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงสลับกับการนั่งสมาธิจึงจะเหมาะสมในการฝึกปฏิบัติและฝึกสติและสมาธิค่ะก็คือตามกํากลังของเราเราเดินได้เท่าไหร่แล้วก็เดินไปเท่านั้นก่อนนั่งได้เท่าไหร่ล้วก็นั่งไปเท่านั้นก่อนแล้วค่อยขยับเพิ่มขึ้นไปเพื่อที่จะได้ไม่หลักเกินไป ้าเราทาอะไรที่หนักจนกำลังเราจะท้อได้จะทําไม่ไหวแล้วจะท้อนให้มันเหมาะสมกับกำลังของเราเรียกว่ามัชชิมาความพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปน้อยเกินไปก็ได้ผลน้อยมากเกินไปก็ไม่ได้ผลก็จะท้อได้ย่งนเอากำลังพอดีแล้วค่อยขยับขึ้นไปตอ น, ตนรกอาจจะเดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงต่อไปอาจจะเป็นสองชั่วโมงนั่งสองชั่วโมงเดินสองชั่วโมง ดูต่างกำลังของเราคุณมยุรีการนั่งสมาธิการสงบนิ่งที่จะเข้าสู่สมาธิในแต่ละครั้งใช้เวลาต่างกันมากในแต่ละวันบางวันสวดมนต์ยังไม่จบเลยสมาธิมาแล้วแต่บางวันใช้เวลานานมากก็ไม่สงบลึกอย่างที่เคยเป็นกราบเรียนถามพระอาจารย์ว่าเพราะเหตุใดและมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้างคะดิฉันปฏิบัติ ช่วงเช้าและก่อนนอนครั้งละหนึ่งถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่งค่ะก็มีสองเหตุเหตุการณ์หนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่เราผ่านมาในแต่ละวันมันไม่เหมือนกันบางวันก็เรื่องมากบางวันก็เรื่องน้อยถ้ามีเรื่องมากมันก็คาอยู่ในใจมากเครียรมันยากใช้เวลามากอีกเหตุหนึ่งก็คือสติสติบางวันเราก็ดีบางวันเราก็ไม่ดีก็เลยเป็นเป็นเหตุที่จะทําให้การเข้าสมาธิของเราช้าหรือเร็วยากหรือ่าย งั้นถ้าเราต้องการที่จะเข้าง่ายเราก็ต้องพยายามไปอยู่ในที่ไม่ค่อยมีเหตุการณ์ต่างๆอย่างพวกนักบวชเขาไปบวชกันเพื่อเที่ยนหนีเหตุการณ์ที่วุ่นวายต่างๆไม่ให้เข้ามาในใจของเขาแล้วเขาก็จะได้มีเวลาจเจริญสติได้อย่างได้อย่างต่อเนื่องงั้นโอกาสที่จะเข้าสมาธิได้ง่ายได้เร็วจะมีมากกว่าคารวะทุกของเรองคุณโออยู่ วิธีแก้ความหลงคือนิพพานารู้ว่าอะไรเป็นทุกข์อะไรเป็นสุขใช่ไหมคะพระอาจารย์รู้ว่าทุกอย่างเป็นทุกข์รู้ว่าพ่อมันไม่เที่ยงถึงแม้จะมันจะสุขตอนนี้เดี๋ยววนันพรุ่นี้มันจะกลายเป็นความทุกข์แล้เพราะไม่มีอะไรที่จะไม่เปลี่ยนแปลงมีเจริญแเดี๋ยวก็ต้องเสื่อมได้ได้เงินมาวันนี้ก็สุขเดี๋ยวพอเงินหมดก็ทุกข์มีใครรับประกันได้ว่าเงินจะไม่หมดบ้างยังต้องคอยหาอยู่เรื่อยๆ พอรู้ว่าถ้ามีตัใช้อย่างเดียวเดี๋ยวก็ต้องหมดแล้วถ้าหาไม่ได้ทีนี้ก็จะทุกข์แล้วเพราะถ้าไม่อยากจะทุกข์กับเรื่องเงินก็อยากใช้เงินก็อยู่เป็นพระอนี้ไม่ต้องใช้เงินอาศัยคนอื่นให้เขาเลี้ยงเราแทนยินยาบาอาหารที่อยู่อาศัยเขาก็สร้างให้อยู่ตามมีตามเกิดเอี่ยเป็นพระก็ไม่ต้องทุกข์กับเรื่องเงินทองเพราะรู้ว่าถ้าไปเป็นฆราวาสก็ต้องทุกข์แหะต้องคอยหาเงินหาทองอยู่เรื่อย ทองเงินทองขาดมือก็ทุกข์กันคุณต้นไม้ธรรมชาติจะทำอย่างไรให้เราจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันได้ตลอดเจ้าคะจดจ่อในขณะที่ฟังทำเลยจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เรากาลังทำอยู่ในปัจจุบันก็ต้องฝึกใหม่ๆมันก็จะวิ่งไปวิ่งมากเด็กมันกลับมาบางคนก็บอกว่าให้ท่องไว กำลังแปลงควันก็แปลงควันแปลงความแปลงควันหนีผมหนุบนีผมหนีผมดึงมาด้วยชพุทโธช่วยก็ได้พุทโธไปพุทโธไปแล้วก็ดูในสิ่งที่เราทำอยู่ต้องทําทั้งสองอย่างนลยใช้พุทโธด้วยแล้วก็ใช้เข้าดูว่าเรากําลังทําอะไรกําลังแปลงควันมันจะไปคิดเรื่องอื่นกันดึงมันด้วยพุทโธกับมาพุทโธพุทโธถ้าให้มันอยู่กับ การแต่งฟันอย่างเดียวไม่มีกำลังไม่พอก็ใช้พุทโธช่วยกได้ใช้เชือกสองเส้นถ้าเชือกเส้นเดียวเอาไม่อยู่ก็ต้องเอาสองเส้นผู้ไม่ประสงค์ออกนามมงคล38เป็นรายละเอียดของมรรคใช่ไหมคะการเรียงลำดับขั้นของการปฏิบัติจากข้อแรกคือไม่ครบคนพานจนถึงข้อสุดท้ายคือจิตเกษมเราต้องทำทุกข้อใช่ไหมคะ ก็เป็นอย่างนั้นอ่ะแต่ก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเอจะว่าทุกข้อก็ก็ได้แต่ก็บางทีอยากจะถ้าไม่เกี่ยวกับเราเราก็ข้ามได้ข้อไหนที่มันไม่เกี่ยวกับเราเราก็ข้ามไปได้คือถ้าเราเข้าไปถึงขั้นข้ออื่นแล้วขั้นข้อข้อข้อต้นๆเราก็ผ่านไปได้ เป็่อนถ้าเราไปสู่การเป็นนักบวชอะไรเข้าไปสู่การปฏิบัติธรรมแล้วข้ออื่นๆนี่มันก็เป็นเหมือนเป็นบันไดาพาเราขึ้นไปสู่ข้อเหล่านั้นแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยก็ต้องเริ่มต้นจากข้อที่หนึ่งก่อนถ้าเราไม่รู้เรื่องรู้ราวเรื่องธรรมะอะไรเงี้ยก็ อ, อันนี้ต้องมาหาเพื่อนที่เขาเข้ามาวัดเราวถ้าเราไม่มีความรู้ทางธรรมะก็เข้ามากับเพื่อนให้เพื่อนพามาหาธรรมะก่อนมาต่อไปแล้วเราก็พอเรารู้เรื่องธรรมะล้วก็เริ่ม ก้าวขึ้นไปแต่ละขั้นสุดท้ายนะเวลาหมดแล้วคุณต้นไม้ธรรมชาติถ้านั่งสมาธิแล้วจิตไม่หยุดฟุ้งซ่านควรทําอย่างไรเจ้าคะจิตไม่หยุงพลไม่หยุดฟุ้งซ่านไม่หยุดฟุ้งซ่านก็ต้องฝึกสติก่อนนุกขึ้นมาเดินจงกรมช่องพุตโธพุตโ ท, โทไปจนกว่าความฟุ้งซ่านจะเบาลงแล้วค่อยกลับไปนั่งใหม่เอาแล้วนยวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา